เวลานั่งกรรมฐานภาวนาพุโทโธไปด้วยพอสักพักก็ติดเพ่งกสินอย่างนี้ถือเป็นเรื่องปกติหรือไม่ค่ะอะไรนะเวลานั่งกรรมฐานนะคะนั่งภาวนาพุโทโธไปด้วยพอสักพักก็ไปติดการเพ่งกสินค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติเรื่องปกติหรือเปล่าค่ะเพ่งกสินยังไงอ่ะเพ่งกสินยังไงไม่ได้อธิบายไว้ค่ะเป็นการเพ่งกสิน มีใครเป็นเจ้าของคําถามตัวนี้ไหมคะเพ่งอะไรเพ่งกสินเพ่งอะไรคะเพ่งตอนแรกก็คือจะเพ่งสีแดงค่ะกระสินสีแดงฮะอ๋อหมายของว่าตอนแรกพุทโธพุทโธแล้วสีแดงมันก็เกิดขึ้นก็คือฝึกเพ่งกระสินสีแดงค่ะครั้งแรกอ๋อเพ่งกระสินสีแดงใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกคือเพ่งกระสินสีแดงพอเพ่งได้ถึงจุดจุดหนึ่งก็ ตอนหลังเนี่ยคือหมายถึงว่าเราเป็นกลางแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเพ่งกับสินสีแดงหมายถึงว่าเราจะมีเร า, า จ, จะเป็นคนที่มีโทราสจริบเยอะแล้วใช้กสินสีแดง mm hmm. พอเรารู้สึกว่าเราเป็นกลางแล้วก็จะไปเพ่งกสินพระพุทธรูเปเพ่งพระพุทธรูปใช่ค่ะแล้วทํายังไงต่ออยู่แค่นี้ใช่ไหมก็คืออยู่แค่นี้ในส่วนของกับสินนะนะแล้วทีนี้ว่าเวลาเราเพ่งกสินน้่เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ ให้ใหญ่หรือว่าเคลื่อนย้ายได้ย่อเคลื่อนย้ายได้ค่ะแต่จริงๆแล้วการนั่งกรรมาฐานเนี่ยตามปกติเลยมันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเรานั่งแบบดูลมหายใจเราก็ต้องดูลมหายใจดูแล้วมีไม่ว่าจะเป็นทุกเวทนาที่ผ่านเข้ามาก็คือเพื่อรู้แล้วก็คือรู้แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางไปแต่ที้เราก็จะไปติดในเรื่องของการเพ่งกระสินด้วยอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราไปยึดติดว่าเนื้อหาของคําสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เห็นพัฒไตลัก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามจิตของเราเนี่ยต้องรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดและต้องดับเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับสลายไปเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าโยมเข้าหาหลักนี้พื้นฐานที่โยมปฏิบัติก็จะนำโยมไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่วิปัสสนาญาณที่สูงขึ้นแล้วก็พ้นทุกข์ในที่สุด ถ้าโยมเล่นอยู่อย่างนี้โยมก็อยู่ขนาดนี้ก็คือสงบเวลามีสมาธิจิตก็เป็นกลางแต่เวลากระทบอารมณ์รุนแรงสมาธิมันไม่อยู่มันก็จะเดือดร้อนขึ้นมาโกรธขึ้นมามันดับทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นโยมจะเอาอยัางไงอันนี้เป็นเรื่องของโยมเข้าใจไหมโยมจะฝึกกสินอ่าแล้วก็อยากจะฝึกอภิญญาต่อไปก็ได้ถ้าฐานของโยมแน่นอธิษฐานจิตให้มีอ่ อภิญยาขึ้นมาให้รู้ให้เห็นกับพวกกายทิพย์ทั้งหลายได้แต่โยมต้องฝึกจนมันมั น, ม, นมันถึงเวลาของมันแต่ทางนี้มันมีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเป็นสมาธิระดับสากลระดับสมถกรรมาฐานแต่พระเจ้านี่ท่านเห็นว่าอันนี้มันยังดับทุกข์ไม่ได้ท่านก็มาต่อยอดด้วยการมาเจริญสติสัมปชัญญะเอาจิตมาดูขันห้าเอาจิตมาตามดูกาย ตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมสิ่งที่โยมฝึกมานั้นเป็นพื้นฐานอย่างดีแล้วหรือในขณะที่โยมเป็นสมาธิโยมสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องดับไปแล้วโยมมารักษาจิตโยมไว้ไม่ไปสนใจมันมันผ่านมาเมื่ อ, อไหร่ต้องผ่านไปผ่านมาเมื่ อ, อไหร่ต้องผ่านไปถ้าโยมทำได้โยมเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านั้นจะแสดงมิติของเขาว่ายึดถือเขาไม่ได้ เกิดแล้วต้องแตกแบบดับสลายไปจนที่เราขายออกได้สลัดออกได้โยมก็พ้นทุกได้